น้ำแข็งพวกโลกละลายไปเยอะแล้วสงสารหมีนะพวกหมีมีน้ำแข็งอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนนะน้ำทะเลเนี่ยขึ้นไปถึงนงครสวรรคนะ์งันเมืองอย่างลบบุรีอย่างไรเนี่ยชัยนาธลบบุรีเนี่ยเมืองริมทะเลนะน้ำทะเลมันลดตัวลง แผ่นดินภาคกลางก็เลยโผล่วันดีคือดีก็เอาคืนแต่โลกเป็นอย่างนี้มาตลอดนะเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าอายุของมนุษย์มันสั้นมันไม่รู้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดความจริงแปรปรวนตลอดเวลาส่วนที่เป็นภูเขาก็เคยเป็นทะเลมา นที่เป็นทะเลกลายเป็นภูเขาอะไรอนขนาดโลกใหญ่ๆนะยังแปรปรวนเลยพวกเราตัวเล็กตัวน้อยแปรปรวนเร็วกว่านั้นไม่นานก็แก่ก็เจ็บก็ตายตอนเด็กๆรู้สึกว่ายังเหลืออายุเยอะพอยิ่งอายุมากขึ้นนะรู้สึกวันคืนล่วงไปอย่างรวดเร็วเลยอย่างดีว่า เราได้ภาวนาเหมือนมองอนาคตข้างหน้านะมองด้วยความบาดกลัวในชีวิตเราแก่ลงเรื่อยๆนะกําลังเราอ่อนลงเรื่อยๆนะต่อไปจะอยู่ยังไงบางคนตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวลูกเต้าอะไระจะอยู่ยังไงพวกที่มีลูกนึกว่าจะพึ่งลูกเหรอจนป่านนี้ลูกยังมาพึ่งอยู่ก็มีนะ งั้นถ้าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งซสียอย่างเดียวนะชีวิตอนาคตเนี่ยเป็นของน่ากลัวพระอนาคตนัเราจะรู้สึกว่าต้นทุนของเราเนี่ยต่ําลงเรื่อยๆกําลังเราอ่อนลงเรื่อยๆนะจะต่อสู้แย่งชิงจะต่อสู้ปกป้องตัวเองอะไรเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆนี่คนบางคนก็หาความมั่นคงในการ ไปมีครอบครัวมีลูกมีอะไรหวังหวังหวังเอาว่าจะมั่นคงนเรามองสังคมจริงๆทุกวันเนี้ยคนแก่อยู่ตามลําพังเยอะแยะเลยนะคงตายทีหนึ่งหลายๆวันแล้วข้างบ้านค่ยรูนะ้ส่งสัญญาณกลิ่นไปเขาค่อยรู้อะไรแต่ไม่เหมือนคนมีธรรมะนะคนมีธรรมะเราภานาของเราทุกวันนะ่ะเรามองอนาคตข้างหน้ามันดีกว่านี้ มันไม่ใช่เร็วลงไม่ใช่ว่ามองไปแล้วกำลังของเราจะตกลงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆไม่ใช่เราพอนาสม่าเสมอไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่ายิ่งนานวันนะกํำลังเรามากขึ้นกาลังของศรัทธาของศีลของสมาธิของปัญญาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นเรื่อยๆมันมีที่พึ่งอยู่ในตัวเอง มีความสุขอยู่ในตัวเองได้นะสมมติวันหนึ่งแก่มากไม่มีคนดูแลนะยังเคลื่อนไหวได้นะก็ะมีความสุขอยู่วันหนึ่งหมดแรงเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ น, ะนอนไม่ใช่นอนรอความตายละไม่ใช่นอนรอความสูญเสียจะเกิดกระดุกกระดิกไม่ไหวนะภาวนายังมีงานทําอยู่ยังภาวนาอนาคตต้องดีกว่า น, นี้อีก ดีแน่ๆงั้นต้องภาวนานะทุกวันฝึกจิตฝึกใจให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจะหวังอะไรกับโลกโลกเป็นอย่างนี้แหละเอาอะไรกับมันนักหนานะเรามาเกิดในยุคที่ค่อนข้างแย่หน่อยเรียกว่าคติวิบัติยุคนี้มันยุกเสื่อมเป็นยุคที่ ไม่ไม่ใช่คติสมบัติแนละ้คติวิบัติที่ที่เกิดของเราเนี่ยเป็นที่ที่คนไม่มีศีลมีธรรมเยอะเหลือเกินคนเบียดเบียนกันเยอะเหลือเกินนะบางคนจะสงสัยว่ากฎแห่งกรรมไม่ทํางานเหรอกฎแห่งกรรมทํางานนะแต่กฎของกรรมเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายตัวนะตัวหนึ่งคือเรื่องของคติคติที่ที่เราเกิดเนี่ยนะ ถ้าที่นี่มีแต่คนดีนะใครทำชั่วนิดเดียวนะนะกรรมชั่วจะให้ผลทันทีเลยคือสังคมลงโทษทันทีเลยแต่ในสังคมของเราตอนนี้มันเร็วเหมือนๆกันนะคนทำชั่วก็ไม่เป็นไรสังคมยอมรับไดนะ้แล้วรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมทำงานยากขึ้นนะยังไงกฎแห่งกรรมก็ทำงานนะแต่ว่าในสังคมที่คนไม่ดีเยอะเนี่ย กรรมมันทำงานยากขึ้นนะกรรมดีให้ผลยากขึ้นกรรมชั่วให้ผลง่ายขึ้นนะเราเลือกที่เกิดไม่ ไ, มได้แล้วเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเราเรีบพัฒนาตัวเองนะพัฒนาสมบัติอีกชนิดหนึ่งขึนมาเรียกประโยคสมบัติคือภาคเพียนนะมีความเพียรในการพัฒนาตัวเองขึ้นมา ยิ่งพัฒนาได้เท่าไหร่นะเราจะเห็นโลกนี้มันเป็นของหลอกลวงเป็นภาพหลวงตาอย่างคนที่อยู่ในโลกเขาทะเลาะกันนะเขาแย่งอํานาจกันมีอํานาจแล้วก็มีพวกมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่งกันถ้าเราภาวนาเรามองโลกตรงตามความเป็นจริงเราจะรู้สึกว่าเขาแย่งสิ่งซึ่งเป็นภาพหลวงตาเท่านั้นเอง ไม่ใช่สาระแกนสารที่แท้จริงอย่างคนมีอำนาจจะมีอำนาจได้กี่ปีมีได้ไม่กี่ปีมีเงินหลายหมื่นล้านถามว่ากินข้าวได้วันละกี่จานกินข้าวได้มากกว่าเราไม่มากกว่านะมาแข่งกินข้าวที่สู้เราไม่ได้นะพวกมีอำนาจมากๆกินไม่ลงมันเป็นภาพรวงตานะภาพรวงตา แย่งชิงสิ่งซึ่งไม่นานก็เสียไปเรามาหาสิ่งที่เป็นสาระแกนสารให้กับชีวิตตัวเองยิ่งสะสมไปทุกวันทุกวันนะจิตใจยิ่งอบอุ่นยิ่งเบิกบานยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นตอนหลวงพ่อบวชได้ 4, สี่พรรษาพรรษาที่สี่ยังไม่ครบห้าพรรษาปกติพระเนี่ยต้องถือนิสัยครูบาอาจารย์นะ ห้าพรรษายังไม่ห้าพรรษาไปไหนเองไม่ได้นะต้องมีพระผู้ใหญ่พาไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่สวนโพนะอยู่ที่นั้นนะก็ถือว่าอยู่ในปกครองของท่านอาจารย์สุจินนะพระอุปัชฌาย์ท่านฝากให้มาอยู่ที่นี้ที่สวนโพแต่พอมาถึงพรรษาที่สี่เนะี่ยนึกถึงหลวงปู่เหรียนนะ โอ้หลวงปูเหรียญชรามากนะเจ็บไข้ตลอดถ้าเราไม่ไปกราบท่านเราจะไม่ได้เห็นท่านอีกและวจะรอห้าพรรษาเนี่ยไม่ได้เห็นนะคิดอย่างนี้นะยอมเสี่ยงเลยออกพรรษาแล้วไปกราบท่านไปกับอุบาเนี่ยตอนนี้นยังไม่บวชนะไปด้วยความบาดเสียวนะรู้ว่าถูกด่าแน่เพครูบาอาจารย์นะท่านเข้มงวด เรายังไม่ครบห้าพันสาเราไปเองโดนแน่ๆเลยแต่ยอมไปถึงไปกราบท่านนะด้วยความหวั่นไหวปกติไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยกลัวเลยนะอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาดุขนาดไหนอาจารมหาบัวคนกลัวเราไม่กลัวท่านนะอย่างท่านจะด่าเราเราถือว่าท่านเมตตาเรานะอยากให้เราดีท่านถึงดา่าเอางั้นเราไม่กลัวครูบาอาจารย์แต่วันนั้นไปหาหลวงปู่เหรียนนะด้วยความปลอดมากเลย ปอดคงจะค่อยๆปริยังไม่ถึงขั้นแหกนะแต่แค่ๆปริ <c oughs> แล้วเข้าไปกราบท่านนะท่านนอนอยู่บนเตียงแบบของโรงพยาบาลไขได้ <Yeah. S 1> นอนอยู่ในเจดีน่นแหละใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่กุฏิ <c oughs> พอเข้าไปนะ <c oughs> พระก็ไขท่านก็ขึ้นมานั่งขาเหยีดยดๆ <c oughs> พอกราบเสร็จเงยหน้าขึ้นมาชี้น้ากี Kentucky, ่รรศา หน้าเราก็แก่แล้วนะ <c oughs> อายุป่าเข้าไปห้าสิบสองแล้วตอนนั้นกี่พรรษา <c oughs> ขอย่อ น, น่อยนะสีพ่พรนษาครับมาได้ยังไงคนเดียวเนี่ยทำไมแม่เรามัานระวังต้องเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยนะว่าว่าว่านะว่าว่ า, วาเสร็จแล้วว่าตามธรรมเนียมท่านต้องดูนะเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่ดูเราเดี๋ยวเราได้ใจ เราก็รู้อยู่แต่เรายอมนะดูดูเสร็จแล้วก็ยิ้มหวานนี่หลวงปู่แก่ๆอย่างเนี้ยหลวงปู่ยังภาวนาเลยนะเราภาวนามาตั้งแต่หนุ่มๆเลยเราภาวนาจนแก่นะเราจะตายในผ้าเหลืองนะแล้วท่านพูดอย่างนี้นะจิตใจท่านมีปีติมหาศาลเลยของใสเบิกบานน้ําตาคลอ คนไม่เข้าใจทก็จะสงสัยทําไมพระระดับนี้ร้องไห้ถ้าไม่ได้ร้องไห้ท่านเกิดทำมาปีติท่านปีติน้ําตาคลอปลื้มใจทำไมท่านภาวนามาตลอดชีวิตของท่านนะชีวิตท่านสะอาดหมดจดท่านไม่มีอะไรที่ต้องละอายฟ้าดินจะอยู่ท่านก็อยู่เพื่อสงเคราะห์โลกจะไปท่านก็สบายของท่านท่านบอกเลยะเราต้องตายในผ้าเหลืองนะ ท่านก็บอกหลวงพ่ อ, อย่างนั้นเราก็บอกครับ <c oughs> ครับอย่า <c oughs> งนึกนะเราคงอยู่ไม่ได้นานเท่าท่านหรอก <c oughs> ท่านอยู่ในพระเหลืองน้อนอยู่มาตั้งแต่เป็นเนน <c oughs> ดูไปนะคนที่ภาวนากับคนไม่ภาวนานเนี่ยแตกต่างกันมากเลยไปเยี่ยมคนแก่ที่ไม่ได้ภาวนาโอยโอยโอดครวญ น, นะเศร้าหมองกลัวความสูญเสียกลัวความพลัดพลาด มองอนาคตเนี่ยคือความสูญเสียล้วนๆเลยจะต้องเสียจากชีวิตตัวเองเสียร่างกายนี้ไปเสียได้แล้วเกิน ท, ท, ท, ทั้งที่เจ็บอย่างเงี้ยยังเสียไดย้เสียดดยครอบครัวต้องจากลูกหลานต้องจากทรัพย์สมบัติต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างนะอุตสาหสะสมมาหลายสิบปีชื่อเสียงเกียรติยศเลยนะี่สะสมมาตั้งนานยิงไม่นานจะต้องจากไปต้องสูญเสียมันเป็นความรู้สึกของความสูญเสียนะ ไม่เหมือนครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เหรียญนนีะ่วันนั้นไปเห็นท่านนะท่านเหมือนนักรบผู้เท่านะท่านมองความตายเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงกลองศึกจิตใจท่านฮึกเหมิมไม่ใช่ห่อเหี่ยวของเราคิดถึงความตายเหมือนปีพาดนางหงเคยได้ยินไหมปีพาดนางหงปีพาดมอสมัยโบราณนะฟังเราก็อยากร้องไห้ใจเหี่ยวเลยของท่านเหมือนนักรบ นักรบชลานะกลําศึกมาตลอดชีวิตเลยท่านมองความตายเหมือนท่านจะฮึกเหิมเป็นนักรบใหญ่จะเข้าสนามรบไม่มีความบันไวนะเนี่ยทำไมท่านไม่ไม่แก่เหมือนคนอื่นเลยท่านแก่กว่าคนอื่นด้วยซ้าไปอายุเกือบร้อยนะท่านไม่เจ็บเลยท่านเจ็บนะทั้งตัวท่านมีแต่เรื้องเจ็บทั้งหมดเลยท่านแก่ท่านเจ็บแต่ท่านมีความสุขอยู่ได้เพราะใจที่ฝึกดีแล้วนาความสุขมาให้ พวกเรายัางมีโอกาสนะเรามีโอกาสที่จะเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราต้องมีความสุขได้ขนาดจะตายความตายมาอยู่ต่อหน้าต่อตายังมีความสุขได้เลยแคนะ่แค่มีปัญหาชีวิตเล็กๆน้อยๆอะไรทำไมจะมีความสุขไม่ได้นะอยู่ที่เรานะฝึกฝนเอาเองไม่ใช่ว่าธรรมะนี้เป็นของพระของครูบาอาจารย์คนเดียวธรรมะเป็นของกลาง เป็นของทุกคนพวกเราทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะเท่าๆกันทําไมเราจะต้องปล่อยชีวิตของเราให้จมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์มองไปข้างหน้าก็ทุกข์มีแต่เรื่องสูญเสียถ้าไม่ระวังไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะรักษาไว้ก็สูญเสียจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาแรงของเราก็ต้องลดน้อยลงตามธรรมชาติธรรมดางั้นดูไปอนาคตมืดมน ทำไมเราต้องปล่อยให้ความรู้สึกอย่างนี้ครอบงอําใจของเรานะเรามาหัดภาวนานะมาเรียนรู้ตัวเองธรรมะเป็นของกลางไม่ใช่ของใครนะงั้นพระพุทธเจ้าวางแนวทางไว้ให้เรามาเดินตามทางที่ท่านบอกเราเห็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ผู้แก่ผู้เฒ่านะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูมีความสุขนะอีกองหนึ่งที่หลวงพ่อเคยเห็นนะหลวงปู่สุวัต หลวงปู่สุวัตไม่สบายนะปกติแข็งแรงนะวันหนึ่งลดก่ํารถดกล้ามแล้วเลยท่านเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไปหาท่านทีแรกเจอท่านครั้งแรกท่านยังเดินได้แล้วไม่เจอหลายปีไปเจ อ, อีกทีท่านเดินไม่ได้แลก็เข็นออกมาเข็นออกมานะท่านนั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านก็ลำพึงลําพันธ์ รำพึงลำพันธว่าโอ้สุขแท้น้อสุขแท้น้อเราดูโอ้หลวงปู่สุขเหรอถ้าเราเป็นอย่างท่านเราคงไม่สุขอะทรมานตายเลยเคยเดินได้เราเดินไม่ได้อะไรไปไหนก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ตอนหลังๆจะบ้วนน้ำลายยังไม่ได้เลยต้องคอยดูดต้องคอยดูดท่านก็ บ, บอกว่าท่านมีความสุขสุขแท้น้อสุขแท้น้อเจอทีไรก็สุขแท้น้ออยู่ด้ย เราโอ้เมื่อไหรเราจะสุขเหมือนหลวงปู่นาะเนอะเราเห็นตัวอย่างนะครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านเป็นตัวอย่างท่านมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เจอหลวงปู่สิมเจอหลวงปู่เทศนะเจออาจารย์มหาบัวท่านลงดูมีความสุขมากเลยเมื่อเดือนก่อนไปกลับท่านอาจารย์มหาบัวนะท่านไม่สบายนะวันที่ไปนะ เป็นวันฉัดมงคลหรือเปล่าใช่เป่าวันฉัดมงคลตอนเช้าเนี่ยท่านออกมารับโยมเยอะนะฉันไปนิดหน่อยหรือไงท่านเป็นลมนะ้วพระก็เอาท่านกลับอุตินะเป็นนวดให้ออกซิเจนนะนวดท่านเขายังชั่วขึ้นมาบ่ายสามโมงกว่านะเข้าไปกลับท่านสามโมงครึง่งนะที่แรกท่านก็เหนื่อยเนะ่อยเหนื่อยเน่อยะสังขารเปนอย่างนะั้นนะสักพักนะ เราดูดูไปในความชราของท่านในความเจ็บไข้ของท่านนะท่านมีความสุขอย่างเลยมีความสุขที่พวกเราไม่มีอไอ้คนแข็งแรงก็ไม่มีความสุขอย่างนี้นะคนหนุ่มคนสาวก็ไม่มีความสุขขนาด น, นีนะ้เราดูแล้วเราเห็นตัวอย่างที่ดีนะเนี่ยดูครูบาอาจารย์มาแต่และองค์แต่และองค์นะท่านมีความสุขยิ่งอยู่ไปยิ่งมีความสุขนะพัฒนาไปเรื่อย งั้นเรามาเดินตามแนวของท่านท่านเดินยังไงท่านเดินอยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้เดินนอกแนวทางนี้ไปได้หรอกทุกองค์ทุกองค์ ก, งก็เดินอยู่ในแนวทางอันนี้เองมีศีลนะมีความสุขเคยได้ยินไหมเวลาทำบุญพระชอบสวดศีลเลนะสุขติงยันติมีศีลแลจะมีความสุขนะ มีสุขคติไม่ใช่ทุคติตอนนี้ในบ้านในเมืองเราทุกคติรู้สึกไหมเป็นโซนทุกคติแล้วนะเพราะไม่มีศีลนะงั้นพวกเราพัฒนาใจของเรานะตั้งใจไว้ทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมานะตั้งใจไว้วันนี้เราจะไม่ทําผิดศีลห้าตั้งใจอย่างนี้ทุกวันนะ ส่วนกลางวันศีลไม่จะด่างปลอยก็พร่องก็แฝงก็ชั่งมันนะแต่ตื่นนอนตั้งใจไว้ก่อนย้ำกับตัวเองว่าเราจะไม่ผิดศีลแล้วพยายามรักษาให้เต็มที่ก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกนอนไปวันนี้เราก็จะไม่ทําผิดศีลบางคนสงสัยทําไมจะนอนยังต้องรักษาศีลเกิด น, นอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นโรคไหลาตายนะอย่างน้อยก็ยังตั้งใจรักษาศีลอยู่ รักษาศีลเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะด้วยกายด้วยวาจานี้เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นในใจเรารุนแรงแค่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะตั้งใจไว้อย่างนี้วิธีที่จะรักษาศีลให้ง่ายนะให้มีสติถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานะเรามีสติรู้ทันไว้กิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้ ถ้ากิเลสครอบงาจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกคนทาผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตนะงั้นพวกเราฝึกนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองไว้กิเลสโผล่ขึ้นมาเราคอยรู้ไว้เราจะถือศีลง่ายถ้าเราไม่มีสติซะอย่างเดียวนะโอกาสจะถือศีลเนี่ยยากมากศีลจะด่างพร้อยอย่างรวดเร็วเลยศีลข้อไหนด่างพร้อยง่ายที่สุดนึกออกไหมข้ออะไรรู้ั้งรู้วะนะ แต่ก็ด่างเนี่ยเราต้องมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเรากิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ราคะเกิดเราคอยรู้นะพอรู้ทันราคะจะไม่ครอบงําจิตเราก็ไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้ใครไม่ไปโกหกหลอกลวงเอาสมบัติของใครนะทวาราเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะเราว่าไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนะ เราเคยมีสติรู้ทันไปเรื่อนะรักษาศีลง่ายนะรักษาศีลเนี่ยศีลทําให้กายวาจาเรียบร้อยแต่เวลารักษารักษาที่ใจนะถ้ารักษาใจได้นะกายวาจาเรียบร้อยไปเองนะ ก, กายวาจาไม่เรียบร้อยก็เพราะใจมันไม่เรียบร้อยเรามีสตินะรักษาใจของเราอันนี้หลวงพ่อยังใช้คําว่ารักษาใจอยู่นะรักษาจิตใจยังไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนา ถ้าถึงขั้นมิปั ส, สนาไม่ใช่ขั้นรักษาแล้วแต่ขั้นเรียนรู้ความจริงนะในขั้นการถือศีลนะมีสติรักษาใจตัวเองไหมถัดจากนั้นเรามาฝึกสมาธิอย่าไปกลัวคำว่าสมาธิสมาธิเป็นเรื่องธรรมดานะสมาธิมีสองจำพวกสมาธิชนิดที่หนึ่งนะเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนะทำสมาธิเพื่อพักผ่อน เช่นเราพุโทโธพุโทโธนะจิตใจเราสบายอยู่กับพุโทโธสงบได้พักผ่อนหายใจออกหายใจเข้าจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจนะได้พักผ่อนดูท้องพองยุบนะจิตใจสงบอยู่กับท้องได้พักผ่อนไปเดินจงกรมนะจิตใจสงบอยู่กับร่างกายอาจจะอยู่กับเท้าหรืออยู่กับร่างกายทั้งร่างกายก็นะได้อันนี้ก็ได้พักผ่อนนะ คือจิตเนี่ยไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตสงบได้พักผ่อนจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลานะหยิบฉวยอารมณ์โน้นหยิบฉวยอารมณ์นี้ตลอดเวลาสังเกตตัวใจของเราเองเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากได้รสเดี๋ยวก็อยากสัมผัสโน้นสัมผัสนี่เดี๋ยวก็อยากถังใจอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่ง อยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนะอยากดีไม่อยากชั่วอยากสุขไม่อยากทุกข์นะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเลยนะจิตมันหิวอารมณ์มันก็ดิ้นหาอารมณ์ไปเรื่อยนะไม่สงบเราก็เลือกดูว่าถ้าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นให้จิตได้กินอารมณ์ได้สวยอารมณ์ที่มีความสุขแนละ้วจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปที่อื่น เัืนหลักของการทําสมถะนะทำสมาธิให้เป็นสมถะกรรมฐานเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะอยู่กับลมหายใจนะแล้วมีความสุขงนั้นเวลาต้องการพักผ่อนหลวงพ่อก็มารู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับลมหายใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ร่อนเร่ตะครุบอารมณ์โน้นทีตรงนี้ที จิตใจสงบมีความสุขขึ้นมาได้พักผ่อนอันนี้เป็นสมาธิแบบหนึ่งนะสมาธิแบบที่สองเป็นสมาธิของการเตรียมความพร้อมทางจิตใจเพื่อจะไปเดินปัญญาหรือไปทำวิปัสสนานะสมาธิอันที่หนึ่งทำไปเพื่อพักผ่อนให้มีความสุขมีความสงบสมาธิอันที่สองเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญานะ จิตที่จะเดินปัญญาได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบแล้วก็เพลินอยู่กับความสุขความสงบจิตที่ใช้เดินปัญญาได้เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะรู้สึกตัวเป็นจิตที่รู้สึกตัวจิตชนิดนี้จะไม่ไหลาตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์มันจะไหลผ่านมาจิตเป็นแค่คนดูจิตไม่ไหลาตามอารมณ์นะไม่เหมือนอารมณ์ชนิดแรกสมาธิชนิดแรกนะจิตไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์ รู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจรู้ท้องจิตไปอยู่ที่ท้องรู้มือจิตไปอยู่ที่มือแล้วไม่หนีไปที่อื่นนสงบอยู่งั้นสมาธิอย่างที่สองที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลาตามอารมณ์ไปคล้ายเราอยู่บนฝั่งริมแม่น้าริมคลองเรายืนอยู่บนฝั่ง เห็นสิ่งต่างๆลอยน้ํามาท่อนไม้ลอยน้ํามาบ้างนะหมาเน่าลอยมาบ้างดอกไม้ลอยมาบ้างนะเห็นเรือผ่านมาบ้างเห็นคนว่ายน้ําผ่านมาบ้างเราอยู่บนบกเราไม่โดดลงในน้ําเราเห็นทุกอย่างไหลผ่านหน้าเราไปเฉยๆสมาธิชนิดนี้นะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายไหลผ่านหน้าไป เช่นเห็นความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความสงบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความฟุ้งซ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นความดีใจความเสียใจความกลัวความเกลียดความพยาบาทนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆนะเราต้องค่อยๆฝึกนะให้มีจิตชนิดนี้ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดนะจิตที่ไหลไปไปแช่ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มักจะเพลินไปในโลกของความคิดนี่คิดถึงพุทโธคิดถึงลมหายใจคิดถึงท้องพองยุบแล้วก็เพลินไปนส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้มิธีที่จะฝึกไม่ยากเท่าไหร่นะ ฝึกสังเกตจิตที่ไหลไปคิดจิตที่หลงไปคิดวิธีฝึกนะเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนกรรมฐานอันที่เคยทํานั่นแหละเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตเข้าไปแนบเข้าไปนิ่งอยู่กับตัวกรรมฐานนะปรับปรับการทานิดนึงนะ ปรับการทํานิดนึงเช่นเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปนะแล้วรู้อะไรรู้ทันจิตนะรู้ทันจิตไวมนะพุทธโธพุทธโธไปจิตสงบอยู่รู้ว่าสงบอยู่พุทธโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะหรือบางคนอยู่กับลมหายใจนะแต่เดิมไปรู้วเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนิดเป็นแบบแรกสงบถ้าสมาธิแบบที่สองนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่ หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วต่อมาจิตหนีไปคิดจิตไหลไปคิดปุ๊บมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นตื่นบางคนไปโม้นะบอกว่าตัวเองได้พระโสดาว่าหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นนี่แค่เบื้องต้นมีสมาธิเท่านั้นเองเบื้องต้น เพจะเดินปัญญาต่อไปหลวงพ่อเตียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางต้นทางของการปฏิบัตินะไม่ใช่ได้โสดาเพรนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมานะจิตไหลไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปะจิตหนีไปคิดเราค่อยรู้และจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็ค่อยรู้นะ จิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปคิดก็รู้สรุปแล้วก็คือทํากรรมฐานขึ้นสักอันหนึง่งแล้วจิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปก็รู้เมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเผลอกับเพง่งจําได้ไหมนะ <S <S 1> <S 1> ถ้าไม่เผลอไม่เพง่งก็คือจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสมาธินั่นเองเพราะฉั้ น, ะ เ, นเราทํากรรมฐานขึ้นสักอันหนึง่งแล้วจิตไปเพ่งอารมณ์ไปเพ่งลมหายใจก็รูนะ้ไปดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้รู้ทันนะ พอรู้ทันเนี่ยจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้เองนะหรือจิตหลงไปคิดนะหายใจอยู่พุโทโธอยู่ดูท้องพองยุบอยู่จิตหลงไปคิดละรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตตัวนี้จะโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวล ค, คล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะจิตชนิดนี้แหละพร้อมที่จะเดินปัญญาลนะ้ เพราะฉนั้นสมาธินั้วก็มี2 ส, ส่วนสมาธิที่ทําไปเพื่อความสุขความสงบอันนึงสมาธิเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมกับการเดินปัญญาเป็นอีกอย่างหนึง่งนะพอจิตพร้อมกับการเดินปัญญารู้ตัวแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องมาเดินปัญญานะการเดินปัญญานั้นเบื้องต้นจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันให้ได้อย่างน้อยต้องแยกรูปธรรมกับนมามธรรมออกจากกันให้ไดนะ้พอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเ้วคอยรู้สึกลงไป เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายพองยุกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตใจเป็นคนดูทำตัวเป็นผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้บ่อยๆนะนั่งสมาธิไปก็ได้นะนั่งไปล้วเห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมใจเราอยู่ตังหาก ใจเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายมันหายใจร่างกายไม่ใช่จิตใจนี่หัดอย่างนี้นะหัดแยกขันนะพอเราแยกได้เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอย่างกันร่างกายกับจิตใจอยู่ห่างๆนะไม่ได้อยู่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างแต่เดิมตลอดชีวิตที่รู้สึกมาละร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปด้วยความอดทนนะนั่งไปสักพักใหญ่ๆมันเมื่อย เราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายร่างกายตั้งมั่นอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉั้นความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตก็เป็นคนดูอยู่อย่างเดิมนะเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะนี่คือรูปขันความปวดความเมื่อยเนี่ยเรียกว่าเวทนาขันนะจิตเป็นวิญญาณขันแยกได้สามขันแล้วนะ พอมันปวดมันเมื่อยมากๆนะจิตใจชักทุรนทุรายแล้วโอ้นั่งนานๆเดี๋ยวเป็นั่มาพาดนะนั่งอย่าง น, น้นอย่างนี้ชักกังวลแล้วความกังวลไม่ได้เกิดที่ร่างกายรู้สึกไหมความกังวลเกิดที่ใจแต่เดิมใจไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้ใจกังวลความกังวลเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเพราะฉะนั้นความกังวลไม่ใช่ใจหรอกมันเป็นขันอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันนะหัดอย่างนี้นะหัดซ้อมไปเรื่อย แต่ไปเราจะแยกขันได้หมดเลยรูปก็ส่วนรูปนะร่างกายมันก็ยืนเดินนั่งนอนหายใจไปกินอาหารไปขับถ่ายไปทํางานของมันไปเวทนาเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดในร่างกายบ้างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆที่เกิดในจิตใจบ้างสังขาร น, นั้นเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วที่เกิดขึ้นทางใจไม่เกิดทางกายนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ ขันแต่ละขันนั้นจะแยกตัวออกไปพอขันแยกตัวออกไปเนี่ยเรียกว่าเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วถัดจากนั้นขันแต่ละขันเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ร่างกายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดเลยนะกระทั่งจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตเองก็ไม่เที่ยง นะเดี๋ยวก็เป็นผู้สุขเดี๋ยวก็เป็นผู้ทุกนะเดี๋ยวก็เป็นผู้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายจิตก็มีความไม่เที่ยงนี่เราเรียนรู้ลงในขันห่านะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือขันห่านี้เรียนรู้ลงไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคือการเดินวิปัสสนากรรมฐานดูลงไปในความเป็นจริงของกายของใจนะไม่ใช่แค่คิดเอาต้องดูกายจริงๆดูใจจริงๆนะดูของจริง เมื่อเดินปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยต่อไปวิมุติจะเกิดขึ้นจิตมันรู้ความจริงแล้วว่าขันห้านี้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะวางขันเพราะจิตปล่อยวางขันนะจิตจะไปรู้พระนิพพานนะเพราะจิตไม่ได้หลงไปในโลกของความคิดคือไม่หลงไปในบัญญตัติจิตไม่หลงไปเพ่งกายเพ่งใจหลงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมาจิตก็ต้องไปรู้นิพพานนะจิตจะไปรู้นิพพานเพราะไม่ ไ, ได้ไปรู้บัญญตัติไม่ได้ไปรู้รูปนามก็ต้องรู้นิพพานจิตต้องรู้อารมณ์นะ นี่เราฝึกนะวันหนึ่งเรานิพพานนิพพานยังไม่ต้องตายนิพพานยังมีชีวิตอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งแก่นะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะสดชื่นนึกถึงที่ไรสดชื่นจิตใ จ, ใจคึกคักห้าวหาญเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนะพวกเรายัางไม่เป็นเรต้องฝึกนะไม่งั้นต่อไปเราจะเป็นตาแก่ยายแก่ไร้คุณค่าน ะ, ะไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ